คามเจลิมในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลงุงหลวงพ่ยานในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสมาสังกปะที่เรียกว่าอาวิิงสาสังกปะคือความดําริดโดยการไม่เปลีป่ยนเป็นการพูดระดับของการงดเว้นนะฮะเธอจะเห็นว่ามันก็แนวคล้ายๆกับมนโนสุจริตคือว่าเป็นการสํารวมระวังจิตตัวเองเอาไว้ ก็ไม่ถึงก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ว่าโลภ ก, ก็โลภอย่าถึงก็อยากได้ของของบุคคลอื่นคุณจะโกรธก็โกรธแต่อย่าถึงก็อาฆาตพยาบาทกันคุณจะโลภโง่คุณจะหลงคุณจะงมงายไปบ้างก็ตามแต่ไมอย่าถึงกับออกนอกลู่นอกทางนอกคันลองแห่งธรรมไปวันแนวสมาธิสังกัปปะมันก็เป็นแนวลักษณะ น, นั้น คือดํมมิในการที่จะดึงกายดึงจิตตนออกไปจากอิเลส ก, ก, ก, กามแล้วก็วัตถุกรรมวัตถุกรรมเราหนีมันไม่ได้แล้วนะฮะมันก็ดึงจิตจะแน่นเดงแล้วก็ดํมมิในการที่จะดึงจิตออกจากความอาฆาตพยาบาทในตัวคนที่เราเคยอาฆาตพยาบาทเขาคงอยู่นะฮะแต่ว่าเราอยู่เขาอยู่ร่วมกับเขาด้วยเมตตาก็ด้วยความเป็นมิตรกัน ในสรงนี้เป็นการดําริโดยการไม่เบียดเบียนในอภิธรรมมัตสังก하ะในท่านท่านอธิบายธรมรมะในลักษณะอย่างหนึ่งที่ท่านจะจําแนกก็ เ, เรียกว่าลักษณะกิดรถปัจจุบันคือจะบอกไว้ถึงสี่ลักษณะมันก็ทําให้เรามองภาพรวมๆขององค์ธรรมเนี่ยชัดเจนท่านบอกว่าการุณาคือการไม่เบียดเบียนแต่มาเลยปี่กรุณาเลยนะเพราะว่าก็ก ก่อนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นฐานใจเป็นเรือนใจมีความต้องการบำบัดความทุกข์คนอื่นสัตว์อื่นนะฮะเป็นลักษณะเพราะนั้นกรุณาจะเกิดแก่สิ่งมีชีวิตมองชีวิตของสปปรรพสัตว์จะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเราก็เกิดกรุณาได้แล้วก็มีอาการอดกลั้นไม่ได้ซึ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเนี่เป็นกิ คือเป็นหน้าที่เป็นภาระที่เราจะต้องรู้สึกว่าต้องทำน่ะต้องช่วยต้องแบ่งเบาปัญหาเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้หลายปีมาแล้วนะท่านผู้ฟังคงนึกออ ก, กว่าที่เคารพกันที่ตะวันออกกลางแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรคนหลงที่ตนงาช้างที่จังหวัดไตรสงขลานะฮะแล้วอะไรล่ะอบอรลูนตก ที่ในป่าที่เขาใหญ่เนะี่ยชืติดตามข่าวแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกรักน้ำใจคนไทยรู้สึกจิตวิญญาณไทยเนะี่ยยังอยู่เยอะเลยตรงนี้คือที่ตะวันออกกลางนั้นพวกแพทย์พวกพยาบาลก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็สัมภาษณ์ออกหนังสือพิมพ์ว่าคนไทยที่มาเนี่ยเป็นคนงานในแคมป์ต่างๆเด็กเขาเข้ามาช่วยเนี่ย นำพาแพทย์พยาบาลคนไทยออกมาจากอนาบริเวณที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายจนขึ้นเครื่องบินได้โดยสวัสดิภาพถามชื่อยังไม่บอกแต่ว่ามุ่งมั่นสุดฤิิตสุดชีวิตจริงๆส่งพี่น้องตัวเองขึ้นเครื่องบินตัวเองก็กลับออกไปภาพเร้่องความและตื่นเต้นมากดีอกดีใจว่าเออคนไทยเราเนี่ จะมีจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยมีวีรชนก็เรียกว่านิรน า, ามนะอยู่เบื้องหลังหรือทำให้เราคิดถึงการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินมาแด้เพราะบนเส้นทางเนี่ยบนเส้นทางจากเมืองจันทร์มาจนถึงทนบุรีจนถึงป้อมจ ช, ชัยประสิทธิ์เดี๋ยวก็จนถึงอยุธยาเนี่ยทำไมพวกเราไม่เห็นล่ะ ทำไมพม่าไม่รู้ล่ะกองทัพเรือมาตั้งห้าพันเรือก็อย่างน้อยก็เป็นร้อยแหละแล้วทำไมกองพม่าไม่เห็น แ, แสดงเห็นว่ามันมีวิรชนนิ ร, รนามเนี่ยอยู่เบื้องหลังคือแอบช่วยแอบเบี่ยงเบนพมา่าเข้ามาสนับสนุนกองทัพไทยแล้วคนนั้นเมื่อเสร็จภารากิจก็แยกย้ายกันไปทำงาน ตามนะ้าฐานะอาชีพของตัวเองมีตำนานที่มันเล่าให้ลูกหลานฟังในโอกาสต่อไปเล่ากันในเครือญาติในวงสกุลตัวเองเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิความรักชาติรักแผ่นดินให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกหลานเราเนี่ยพระลักษณะของความคิดตรงนี้มัน พัฒนาจิตใจของตัวเองออกไปเรื่อยๆจนถึงมองว่าคนที่ประสบปัญหาแล้วเราไม่มีความคิดเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามอย่างนี้ก็เล่าก็เล่าจากว่าผู้เมียทะเลาะกันเมียในปากร้ายมากเลยมันทะเลาะกันจน ถ, ถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุบตีกันจนเมียตกลงไปในคลองก็บบ้านอยู่ริมคลอง แล้วก็โผลขึ้นมาเนี่ยนะะยกมือขึ้นมาสองนิ้วหัวก็หัวก็ที่จริงก็ถอค้าลงไปนะฮะถอค้าลงไปก็ปะปอกันนี่ยนะพอเสร็จแล้วก็ปล่อยเมียก็หลุดขึ้นมาก็าชูสองนิ้วบัดีมีลูกอยู่สองคนหัวก็เข้าใจว่าเมียนั้นคงฝากลูกสองคน คงจะสํานึกผิดแล้วก็กระโดดตรงไปช่วยขึ้นมาแลวก็บอกว่าแกเข้าใจที่ทเธอยกสองนิ้วนะ่ะคือก็ของขวากลูกที่ก็เห็นว่าเธอควรจะขึ้นมาเลี้ยงดูเองดีกว่าปัญญายังไม่หายโกรธเลยแกบอกไม่ใช่ขวากลูกที่ด่าสองนิ้วคือด่าพ่อกับแม่ของคุณเลยก็ถูกถุกถูกผลักลงไปอีกรอบเอง อันนี้ก็เราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างถ้าถาม่าคนอย่างนี้มีจริงไหมมันก็มีจริงนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ลดวาราสอกกันแล้วก็ต่างคนแต่ก็ใช้อารมณ์ใช้กิเลส ต, ตัวเองเนี่ยเป็นหลักแทนที่จะคิดโดยมีเหตุมีผลยุติการเปลียนกันแต่คนที่มีอวิหิงสาหรือว่าอาหิงสาเนะะี่ย จะทนอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นเขาประสบความทุกข์อย่างนี้อย่างอย่างที่โตนาช้างเนี่ยปรากฏว่าชาวสิงคโปร์นะปีนั้นน่ะคนไทยออกไปเป็นสี่ห้าร้อยไปหากันแล้วพอพบตัวแล้วก็ต่างคนต่าแยกย้ายกลับบ้านที่เขาใหญ่ก็มีลักษณะอย่างนั้นมากันออกพิทยุว่าคนหายไป รถมากันหากันเยอะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเจอตัวแล้วก็หายไปได้ข่าวคอตกของกองทัพเรือเมื่อวันที่อะไรวันที่ยี่สิบยี่สิบหกนะฮะยี่สิบเจ็ดคือภาคมุมได้ข่าวว่าประมงบ้างเรือตำํำรวจน้ําบ้างเรือกองทัพเรือบ้างอะไ ร, ระดดต่างๆออกไปหากันกลางทะเล ภาพวันนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจเพราะถ้าเรากระจายออกไปได้นะกระจายให้ทั่วไปแก่คนทั้งหลายคนไทยเราที่จริงมีพื้นในตากรุณาอยู่สูงแต่เรามองภาพเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่พวกฝรั่งกับญี่ปุ่นปล่อยแขกดำๆมาไว้นะตัวดำๆที่ขอข้วาสารเนี่ยมาเป็นเด็กแต่ก็พอรู้เรื่องอะไร เรานึกถึงภาพแขกเหล่านี้ว่าชานายากจนขัดสนาานาถาในแกให้ทั้งนั้นน่ะแกะเลี้ยงทั้งนั้นนั่นคือภาพของคนไทยภาพของการปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยภาพของเปทาเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับอย่างเลิศบีตามมีและตามเกิดใหะเปิดเพลเพชีวากว่าจะกลับมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตปิญญาของความเป็นคนไทย และแน่นอนว่าเป็นพระพุทธคุณบทว่ากรุณามัณนะโวนะมีพระมากนุาที่คุณรุด ท, ท่วงทะเลหลวงเราสานึกคุณพระพุทธเจ้าหรือบทว่านโมตัสสะพระควาโตก็เหมือนกันคือเราสานึกถึงพระมากรุณาที่คุณของพระองค์แต่ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องน่ากลัวบรรยากาศที่อบกุนนั้นเรายัางพอหาได้นะแต่ต้องเข้าป่าไปหน่อย ค, ค, คือความเห็นแก่ตัวการเรารัด อ, อกเปรียบการมุ่งสแสวงหาประโยชน์ใจฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ประสบปัญหาเนี่ยมันสมัยสมัยที่มาเป็นเด็กๆมีเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องหนึ่งที่เราก็ติดใจยอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าเกิดแต่ว่าสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขา คือมีน้ำหลากแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาตกไปในในน้ํานะกระแสเชี่ยวมากคนก็ขึ้นไปช่วยมาช่วยแล้วก็ประสงพยาบาลจนฟื้นนะนพอฟื้นมาถึงแกทวงสตา ง, นะตงค์สตางค์แกหายก็ล้วงกระเป๋ า, าว่ามีสตางค์แกหาว่าพวกคนที่ช่วยเนี่ยเยอยก็มยสตางคนะ์ ผนุตาจีนู น, นี่ถูกตีตายเลยนะอันนี้ก็คือภาพที่เรารู้สึกว่าเออการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันต้องมีก็เรียกอุปการะปฏิการะคือมีการกระทำและก็มีการกระทำตอบบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเป็นสภาพของชาวนากระงูงเงาเราก็จริงก็ยุ่มเหมือกัน ประชาคมในปัจจุบันเนี่ยที่จริงแล้วมันสภาพของสังคมเนี่ยการหวาดระแวงการสูญเสียความเชื่อมั่นเนี่ยทำให้าาการบางอย่างซึ่งน่าจะทําแต่มันทําไม่ได้หรือไม่กล้าทําหลายปีมาแล้ ว, ลวมาไปบรรยายที่อาําเภอประยุหะคีรีที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนกลับมาเนี่ยกวกลับมากับคนขับรถ มาแถวใกล้โรงพยาบาลที่อยุธยานะมีรถบัสชนกับรถหกล้อคนตายเกลื่อนสบิบเจ็ดศพคนก็เต็มนะเราก็ต้องชะลอจุดแต่เราสงสัยว่าเสื้อผ้าของศพเนี่ยมันไปไหนเลยก็หยุดรถถามตำรวจว่ามันเสื้อผ้ามันหายไปได้ไงคนรถชนเนี่ยมันเสื้อผ้ามันหายได้ไง แกบอกไม่ทราบมาจากไหนครับหลวงพ่อมันกู้กันมามันถอดมันทึงมันหยิบมันฉกเขาไม่ทันน่ะบางคนเขาต้องเอาแอะตำรวจต้องเอาไปตองมาปิดก็มีกางเกงนมีเสื้อนนั่นแหละแต่มันน่าเกลียดเกินไปนะศพว่าเออคนเนี่ยมันอาการหนักขึ้นมาทุกวันอันนี้เป็นภาพที่มันเห็นติดตาอยู่จนทุกวัน แล้วเราก็อ่อแล้วก็โหดหูว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องเราบางคนมันหา ห, หรือโหดถึงเนี้ยแล้วก็มีพวกกันเป็นราชากนาทั้งนั้นเนี่ยไ ป, นะไปเพชรบูรณ์นะไปเพชรบูรณแล้วก็กลับมาแถวก่อนจะถึงสระบุรีเนี่ยฮะมันเกิดอุบัติเหตุรถฉลัดตกลงไปกลางถนนแต่ก็ไม่แรงนะนะคือคือไม่มีใครบาดเจ็บ มันที่อัศจรรย์คือคนมาจากไหนก็ไม่รู้วกลัวก็มาเต็มเลยพรเหล่านี้ก็ออกมารูปมายโยมพระนายมพระวิ่งหนีกันไปเป็นแถวอันนี้คือภาพตัวเนี่ยมันทําให้การปฏิบัติธรรมะบางอย่างเนี่ยทําไม่ได้ทั้งๆที่คนก็พร้อมที่จะทำเพราะอะไรว่าไอ้จุดจุดแข็งคือจุดที่กรุณาจิตของคนไทยเนี่ยมันกลายเป็น เครื่องมือในการหากินของคนดึกพวกหลอกลวงต้มตุนพระสงฆ์รงกรเจ้าคนเฒ่าคนแก่อะไรต่อระไรจะปลอมแปลงมาในลักษณะต่างๆเนี่ยเพราะการใช่ผลใช้สติปัญญาเนี่ยจึงมีความจําเป็นมันมีคาวหนึ่งเป็นน้องสะพายนะฮะเป็นปัญญาของลูกผู้น้องก็ามาเล่าฝั่งก็ามาจากราชบุรีเพชรบุรีเนี่ย แล้วเกิดรถมันเกิดอุบัติเหตุแกบอกว่าต้องทำตายเลยตั้งกับมานี่คนมาล้อมกรูเต็มเลยแนทนแทนแทนที่จะช่วยไม่ได้ช่วยมันไปดึงมันไปทึงสตงสตางอะไร่ะไรหมดเลยนะประกงประการในหลงในการในหมดเลยก็ดีนะฮะยังไม่ได้ไปตอดเสือ้อตอดผ้าแกมาเล่าฟังเราก็ตกใจเลย ว่นนี้คนโอ้โหมันรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็โถดทนบ ร, ร, รีบากท่อในมีครา่หนึ่งเหมือนกันรถบรรทุกหมูนะฮะหมูที่เขาทามาเป็นชิ้นๆนนะ่ะตัวนึงผ่าสองซีเนีนะ่มันคงจะมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วส่งตลาดอะไรถอนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุนะหมูมันหลุดลงไปอยู่กลางถน น, นไปกองอยู่เลยรถมันก็ติดแล้วไม่น่าเชื่อว่าเด็กรถ คนน่ก็วิ่งไปเผื่อเพื่อเพื่อเพื่อไปห า, ารถมาช่วยนะฮะคนขับเนี่ยรถจอดเนี่ยหยิบ ป, ปหมูใส่ท้ายรถดือด้อเลยนะขนาดรถเบนยังเอานะเด็กตะโก น, นย อ, อย่าเอาครับอย่าเอาครับอย่าครับไม่ฟังนี่คือภาพที่น่ากลัวแล้วถ้าเราปล่อยสังคมเลวร้ายลงไปอย่างนี้เรื่อยๆจะเป็น ป่าคอนกรีต ท, ที่หน้าหน้าวาดระแวงหน้าวิตกกำบุลหน้าห่วงใหญ่เพราะความรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่การศึกษาอะไรก็ตามนะถ้าหากว่าจิตมนุษย์ไม่ได้พัฒนานี่มันเหลวทั้งนั้นนะเพราะประเจนว่าการศึกษาของพระเจ้าจะมุ่งไปสู่จุดหนึ่งคืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรระดับศีลนี่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรระดับ สมาธิไม่ใช่ไม่ใช่ระดับธรรมะเนี่ยอยู่ร่วมก็ด้วยเมตตาพอระดับถึงปัญญาแล้วมันอยู่ด้วยการุณาคือคนเหล่านี้จะมองคนอื่นในมุมเดียวเท่านั้นคือกรุณาแบบปฏิปทาของ พ, พระเจ้าประหารทั้งหลายท่านเรามีไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อตัวท่านแต่ท่านมองว่าท่านจะให้อะไรจะมีส่วนร่วมส่วนแบ่งอะไรแก่คนเหล่านั้น เราเลิกดูว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงทร ง, ง, งธทำปานาเล็กๆเนี่ยนะมีชาวนาคนหนึ่งแกออกไปทำนาพระพุทธเจ้าก็ชวนพระนวนเดินผ่านไปตรงนั้นพอดีโจรโจรมันมาไปขโมยทรัพย์สินเขามาแล้วก็มีคนไล่ตามมาแกก็โยนถุงทรัพย์สินไว้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ เดินไปใกล้ถุงรั์เนี่ยรับสั่งกับ น, นุอนอนนี่อสรพิษอนุนก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าอสรพิษที่มีพิษร้ายจ้าน่าแกไม่รู้อะไรหรอกแกก็เดินมาดูด้วยก็พอดีเจ้าซัพ์ก็าตามมาทันพอดีก็จับส่งบ้านเมืองแกก็อ้างพระพุทธเจ้าเป็นพยานเลยเนี่ยราชาก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งเล่าให้ทราบ นี่คือกรุณาต่อชาวนาซึ่งไม่รู้อิโนโออินเน่อะไรเลยถ้าพระพุทธเจ้ากับพระอา น, นุ์ไม่เสด็จาจะเห็นภาพอย่างหนึ่งชาวนาคนนี้เนี่ยตายแน่เพราะว่าเรียกว่าขานังคาเขาคือแกไม่ได้ถึงจับแกไปยืนดูนะยืนดูพระพุทธเจ้าบอกว่านี่อนนุอ์อสรพิษพอานุนก็ไปย้ำบอกว่าอสรพิษมีพิษร้ายหลวงพ่อเจ้าคะ่ะท่านก็ก็กลัวนะฮะกลัวว่า อสราพิจกต์เอาก็เดินไปดูแล้วเขาก็มาจับควาจะไปไปพอดีนี่คือกรุณาที่ไม่จํากัดชนชั้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้คนเหล่าได้เพราะลักษณะเหล่านี้สังคมเราเวลานี้ขาดแคลนแล้วก็มีความรุนแรงแม้แต่วัดวารามต่างๆเวลานี้มันขาดความบกป่นขาดบรรยากาศของความเป็นวัดไปเยอะ มันมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพูกเขาเป็นภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้การความอบอุ่นซึ่งมันน่าจะมาวิเคราะห์ตรวจสอบกันตรงนี้เหมือนกันเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าสมณะแปลว่าผู้ไม่เป็นคัาสึกอะไรก็ใครเนี่ยทํามอยู่กันอย่างเป็นคัาสึกมันก่อนนี้มีคนท่งเอกสารเป็นการ วิาพากวิจาร์กันภายในวัดอย่างนึกสลดจุดนะฮะว่าทำไมปล่อยให้ออกมาข้างนอกทำไมไม่คุยกันทำไมไม่พูดจาไม่ทำความเข้าใจกันทำไมจะต้องสาวซ่าอากาศกิดทำไมไฟในายจึงนำออกมันเป็นปนัญหาที่ต้องคิดมากเพราะเวลาเนี้ยธรรมะเนี่ยมันเกิดปฏิบัติไม่ได้อย่างในเนี้ยอย่างในการนี้เงการช่วยคน คนมาอาศัยนอนวัดนอนว่าต่างๆเมื่อก่อนนี่สบายมากเลยนะช่วยเหลือเขาก็เรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยนะอาตมาเคยอบรมนักโทษมาตั้งแต่ศูนย์สี่ถึงสองศูนย์เนี่ยที่ลาดยาวที่บางขวางที่เมืองนนทที่อะไรแถเนี้บริเวณกล้กรุงเทอฯรมมานาน แล้วน้าโทษคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับการปลดปล่อยเขาก็มาหาเขาก็รู้จักนี่ยมาหาหลวงพ่อก็นอนสักคืนแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ให้นอนกับเด็กตกกลางคืนเด็กขโมยเลยเนี่ยขโมยดือด้อๆเลยเด็กมันก็หวาดระแวงอยู่มาจับได้ก็ประปุกบอกว่าเราช่วยคนแล้วเนาะก็อย่าไปฆ่าเขาเลยก็ปล่อยเข้าไป กี่แจงตํางบวกก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าอย่าเอาเลยก็ออยังไงก็ช่วยเราให้ตลอดเราอย่าไปซ้ำเติมเขาแอ้นี่คือปัญหาว่ากรุณาเนี่มันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าจะต้องมีปัญญาเข้ากำกันไม่ใช่ปล่อยสภาพชาวนากังวาเกิดขึ้นช่วยคนอื่นแล้วก็ตัวเองเดือดร้อน หาทุกขาภายัยอันตรายมาอย่างการรับประการอะไรอะไรเชื่อหรือคนอื่นเบลเนียปัญหาว่าธรรมะนี่ปฏิบัติยากขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับคนคือเมตตากรุณามมติตาเบขาเนี่ยมันเรื่องคนนะแต่ว่าสามข้อเนี่ยมันยุง่งคือเมตตากรุณามมติตาเนี่ยมันยุ่งคือบทีเราเข้าไปสแสดงความยินดีอะไรกับใครหรือประกฏตัวอยู่กับใครสักคนหนึ่งเวนี้มันการมือมันเล่นแรง ภาพเรานั้นอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการทําลายเราได้ในโอกาสเราไปเราอาจจะมุติตาเราอาจจะสงสารข่าวเร า, า จ, จะเวตาข่าวเนี่ยเปลี่ยนการจะปฏิบัติธรรมะเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาเนี่ยสังคมจําเป็นจะต้องมีหลักใจเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองคือมีธรรมะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจ นะกิริยาปฏิกิริยาเขาไหวมาเราไหวตอบเขาให้เราให้ตอบเาการุณาเร า, าการุณาตอบเขาเป็นมิตรเราเป็นมิตรตอบมันต้องเป็นกิริยาปฏิกิริยาอย่างนั้นแต่ได้ความได้ควาหนึ่งทำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เราลองสังเกตนะว่าเหการเหล่านี้เกิดขึ้นในรุทบศาสนาในีครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่เล่น แม่ได้ปัญหาเรื่องภิกษุณีเดี๋ยวบางที่มันยุ่งไม่จะเล่นนะนะเจ็ดจับพักคีภิกษุณีเนี่ยก็ปไปยั่วยวนพระเปิดเผยวิวัว่าให้ดูตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรต่อะไรเนี่ยเขาก็กรุณาให้บวชมาแต่ว่าเธอมาปวนชสวุ่นหมดเลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอจะเยอ่านที่วีไนยบิดกเล่มเล่มสามกับเล่มเจ็ดนะนะ และจะเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความกรุณาแต่ว่าเสร็จแล้วมันดึงปัญหาเข้ามาหาตัวเองแต่ไงก็ตามนะฮะเป็นธรรมปฏิบัติที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอย่าไปซ้ำเติมคนอื่นถ้าเขาจะชั่วจะผิดไปก็ให้เป็นใบตามกรรมของเขา พลเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้ตามที่เราต้องการจิตมันจะกลับเป็นอุเบกขาทั้งหมดถ้าไม่ไปอุเบกขาแล้วเราก็มีปัญหาเองตั้งฝั่งทั้งหลายแต่โลมปรพภิญญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญหมตตงงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทว ก, กันสวัสดี